ใต้ลมสมบูรณนายาผิดที่ลาดใหม่หนังสือที่ก้าเปิดเผยความจริงท่านกล้าเปิดสมองรับความจริงหรือไม่ว่าใครสร้างใครทำลายระบอบ ป, ประชาธิปไตย ถึงผู้ใฝ่หาสัจธรรมงานวิชาการไทยใต้ตร่มของบุรณาญาสิทธิราชใหม่นี้เป็นความร่วมมือของบุคคลหลายกลุ่มอาชีพทั้งที่อยู่ในต่างประเทศและในประเทศโดยเฉพาะคณาจารย์ในมหาวิทยลาลัยที่แบ่งหน้าที่เก็บข้อมูลคําบอกล้าวและเรียงร้อยเป็นหนังสือเล่มนี้นนนนร่วมเจตจํานงร่วมกันว่ า, าการจะแก้ปัญหาสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สันติประชาธรรมได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการพูดความจรมิง ประกอบแห่งกฎหมายการเมืองและวัฒ น, นธรรมในประเทศไทยวันนี้ได้ปิดกั้นและหลอกลวงจนแม้กระทั่งนันกนวิชาการในรู้มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นนักอ่านแตะนักค้นคว้ายังไม่อาจจะก้าวข้ามรั้วกำแพงแห่งวัฒกรรมทางสังคมได้โดยเพราะหลงเชื่อเป็นกลัวคุกตรางและการเสียผลประโยชน์ พวกเราในนามกลุ่มนักวิชาการแห่งประวัติศาสตร์จึงได้สารเอกสารความคิดเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการชิ้นนี้ขึ้นโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ใดๆแม้แต่ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อจุดกระจายความจริงทางสังคมให้สว่างขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนหันมาทกชวนดูว่าการอาศัยอยู่ใต้ร่มของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้แท้จริงมีร่มเงาให้อาศัยอยู่จริงหรือไม่หากมีร่มเงาจริงทำไมสังคมจึงปั่นป่วน เดือดร้อนาการเมืองจึงหาเสลียลภาพไม่ได้ผู้คนอดอยากยากแค้นคุณภาพชีวิตไม่ได้รับการพัฒนานโบายนโบายรัฐสวัสดิการกลายเป็นสิ่งเลวร้วายจากเศรษฐกิจพอเพียงกลับได้รับการเชิดชู เราขอมอบงานที่นี้เป็นข้อติดของส า, านะหากผู้อ่านท่านใดเห็นข้อโยก ข, ของข้อมูลที่รวบรวมนี้จะนําไปเผยแพร่เรายินดีและจะไม่โงงติงเพียงแต่ขอให้เขาลบความคิดเห็นของเราโดยขอสัจจวาจาจะไม่นํางานของเราไปแก้ไขและบิดเบือนให้ร้ายและหากจะมีท่านใดโตแ้แย้งจารณ์เรายินดีที่จะรับฟังอย่างน้อมคารวะโดยวิชารผ่านสื่อเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้หรือผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้หากชื่อของสื่อเว็บไซต์ และเจ้า ข, ของสํานักพิมพ์ยังหลงเหลือความกล้าหาญทางจริยธรรมอยู่มากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นศัตรูธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เรายังฝันที่จะเห็นการเปลี่ยนผ่านอย่างอันติเพื่อให้สังคมก้าวสู่สังคมสันติประชาธรรมโดยทุกสาบันที่ีงามยังอยู่ครบโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา ขอขอบคุณท่านพลีบุญลมยงผู้จุดประกายความคิดเสรีให้แก่สังคมในนามของผู้ประสานการมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองที่มีความรู้แก่คณะผู้เรียบเรียงคุณสุพศ์การตะกูลผู้กล้าประกาศสัจธรรมจนสิ้นลมหายใจและขอขอบคุณผู้ต่อสู้เพื่อใเกิดประกายแห่งความจริงทุกท่า น, นทั่วโลกทั้งที่ได้ลาจากไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจเจตนาแห่งผลติธรรมของเราและศึกษางานวิชาการนี้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมทั้งให้โอกาสแก่ดอกไม้แห่งเสริภาพเจริญงมมอกงามบทที่หนึ่งระบบปรชัธิปไตยแบบไทย นักแต่เลี่ยนแปลการปกครองเมื่อ24สิถุนายน2475ถึงปัจจุบันไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการฉีดและทำนูนมากที่สุดขออ้างการฉีดและทำนูนก็วนเวียนแต่ข้อกล่าวหาว่า ผู้นำรัฐบาลไม่จงรักภักดีและทุจริตประพฤติไม่ชอบข้อถกเถียงในการร่าง ร, รัฐมนูลก็วนเวีนอยู่แต่เรื่องเดิมๆกลัวแต่จะกระทบอำ น, นาจพระมหากษัตริย์และกลายเป็นระบบประธานาธิบดีจนไม่สามารถจะเกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ภาวะความปั่นป่วนของบ้านเมืองเช่นนี้ถูกขนานนามว่าระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆแ ท, ท้จริงคือระบบ อ, อะไรกันแน่ ปฏิวัติสลักฉากประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประเทศยนโรในโลกที่มีการฉีกและรงรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลกก็ว่าได้รัฐธรรมนูนฉบับปี2550ที่ใช้อยู่ในขณะ น, นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่1 8หากนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุรรนายน2475จนถึงปัจจุบันนี้ก็เฉลีย่ยอายุของรัฐธรรมนูนแต่และฉบับประมาณฉบับละ4ปีซึ่งก็ใกลเคียงกับอายุของ รัฐบาลจสมัยพรานนายกคนปัจจุบันคือนายอภิเิท์เวชชาชีวะก็เป็นนายกมุปนตยีคนที่27เ ฉ, ฉลี่ยระบอบไปใช้พิฆไตยแบบไทยๆก็ใช้นายกรัฐมนตรีตเพลองมากคือเฉลี่ย3กีเซตต่อหนึ่งคน ในขณะที่ระบกกบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆทั่วโลกทุกประเทศจะกำหนดให้ผู้นํารัฐบาลมีอายุในการบริหารสมัยละสี่ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อให้การบริหารประเทศมีความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุด ข, ของรัษฎรแต่อายุรัฐบาลของประเทศไทยมีอายุสั้นกว่ามาตรฐานอายุของรัฐบาลทุกประเทศในโลกและล่าสุดได้ทําลายสถิติโลกคือในปี2551ปีเดียวประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีสี่คนคือหนึ่ง คนเอกพลายยุทธ์ลานนท์มกราคมถึงกุมภาพันธ์สองนายสมัครค์สุนทรลเวชกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมสามนายสมชายวงศวรตุลาคมถึงธันวาคมและสี่นายอภิสิทธ์แวดชาชีวะธันวาคมถึงปัจจุบันด้วยเห็นนี้เองจึงเป็นผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของราษฎร ก็เมื่อระบบการเมืองไทยได้มีเสถียรภาพแล้วระบบเศรษฐกิจของไทยจะมีเสถียรภาพได้อย่างไรความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลตลอดระยะเวลา70กว่าปีของประชาธิปไตยไทยได้สง่งผลกระทบต่อสถานการทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของอนัษฎรเป็นอย่างมาก เมื่อเศรษฐจิตยัดด้มแย่ผู้คนหิวโหวยการฉดชิงยิ่งลาว่ร่อนค่าชิงทรัพย์เป็วิถีชีวิตปกติของสังคมไทยรวมตลอดถึงการกระทำผิดกฎหมายเกีเ่ยวกับสิ่งแวดล้ อ, ลอมโดยรัษฎรผู้ทุกข์ยากคนยากคนจนที่ปากท้องหิวไม่สามารถดำรงชีวิตตนนามมาตรฐานขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ได้ต่างก็พากันหลบลูกฝ่าขง่วนที่ภูเขาชายทะเลรวมตลอดถึงพื้นที่ทางเดินเท้าหาดเรืยแผงรอยของฉิของชีวิตคนในเมือง ก็ไม่อาจจะบังคับให่เป็นไปตาม ร, ระบบกฎหมายได้ด้วยปัญหาความลากจนของผู้คนแต่สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำมาอธิบายใหม่ว่าเป็นลักษณะที่เจ๋งของคนไทยที่ไม่เหมือนกับผู้คนชาติใด ใ, ดในโลกนี้ว่าทําอะไรได้ตามใจคือไทยแฉนั่นก็คือผู้ปกครองรัฐ ได้กล่าวหารัศดรว่าเป็นสผนด้านของคนไทยที่ไม่มีระเบียแบและแผนชอบทำอะไรตามใจตัวเองนั่นเองทั้งที่แท้สิ่งแล้วต้นตอของวิถีชีวิตทั้งหมดมาจากปัญหาที่ระบอบ ก, กอารปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ได้สร้างความไรเ้เชื้อเพลิของรัฐบาลจนสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและธนธรรม ซึงสะสมมานานเกือบศวตวรรษแล้วยังไม่อาจจะแก้ไขได้จึงทําให้สภาวะสังคมไทยเกิดภาวะความไร้ระเบียบหรือความตำโฟนถึงท่านกลายเป็นประเทศแห่งนสันญีในขณะที่ประเทศต่างๆทัท่ว ท, ท, ทั้งโลกกําลังพัฒนาจากระเบียบประเทศของตนให้ก้าวเข้าสู่ประเทศที่ทันสมัยโดยการสร้างกความเจริญจากตัวทางระบบเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสังคม แต่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพพื้นฐานในด้านการเสร้างนาดีกว่าอีกหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนสกลายต้องเป็นประเทศที่ล้มลูกคู่คานพายเรวนอยู่ในอ่างเช่นี้ซึ่งหาดังเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไปประเทศไทยเราจะได้พบกับความจริงว่าในอนาคตอันไม่ไกลเราจะถอยหลังมาเป็นเพื่อนกับประเทศพมา่าและก้าวไปแานประเทศเพื่อนบ้านแม้แต่ลาวและกัมพูชาท่านจะยอมให้ประเทศไทยของเราเป็นเช่นนั้นหรือ 1. นถาบันข้อหายอดนิยมการล้มรัฐบาลด้วยความรุนแรงนอกกัิจารชาติิไตยเป็นภาวะปกติของสังคมไทยและข้อกล่าวหาว่าผู้นำรัฐบาลไม่ยงมรับพรรีคิดตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีก็เป็นปกติที่ใช้ล้มล้างรัฐบาลกันมา ตลอดหากจะทบทวนประวัติศาสตร์ดูจะเห็นได้ว่าข้อกล่าวหาที่คนเอกสมที่อุญจลักกร็นหรือนัาคณะปฏิวัติใช้กล่าวหาในการค้นล้มรัฐบาลผลตำรวจโททัศน์สินชินวัฒเมื่อ19กันยายน2549ก็ไม่ได้แตกต่างจากข้อกล่าวหาที่ใช้ค้นล้มรัฐบาลก่อนๆทั้งที่กล่าวหาอย่างเป็นทางการและกาาล่าวหาใส่ร้าใต้ดินว่ารัฐบาลไม่ยอมรับพักดี ผู้นำชิดจะเป็นประธานาธิบดีบ้างเช่นการปฏิวัติค้นลมม้าหน้าของท่านฟรีดีพนมยงเมื่อ8พุศตวรรษสนสีน่เก้าศ็ด้วยข้อกล่าวหาว่าปรีดีวางแผนรอบโครงพระชนรันชดาลที่8ปดและคิดจะตั้งระบอบมหาชนรัฐตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีก็คือระบอบสายธารณัฐที่ใช้เลือกอยู่ในปัจจุบันนี้สอพลถนอมกิจิกรทรถูกพลังวนชนนิตินสกษาเดินขบวนขับไล่เมื่อสิบสีกราคมสองพาร้อยก็ถูกข้อกล่าวหา ร่ำ ล, ลือไปช้างสังคมว่าคลเอกนรงชิติธจรลูกชายจำพลถนอม ที่จะเป็นประธานาธิบดีพนเอกเกรงศักดิ์ชมนันท์นายยกรัฐมนตรีถูกประชาชนเดินขบวนขับไล่เรื่องขึ้นค่าล่ถเมย์จนต้องลาออกเา็ถูกกล่าวหาไม่เคารพในหลวงว่าชอบเมาเหล้าเข้าเฝ้าในหลวงแม้แต่พนเอกเกรงจินตุลยานนท์เมื่อครั้งดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนานติดต่อกันถึง8ปีในปีสุดท้ายก็ถูกราษฎรและนักศึกษาเดินขบว น, นขับไล่จนตัดสินใจไม่รับตาแห น, น่งนายกก็ถูกกล่าวหาว่าเทียบพระบารมีเพราะมีภาพ ปรากฏในสุมวนชนหลายครั้งว่าพนเอกเรมเดินเหยียบผ้าขาวม้าที่ราษดรมาต้อนรับโดยนำผ้าขาวมา้าฟูให้เหยียบเพื่อ น, นำไปใช้การด้วยความเคารพเป็นต้น ทำไมต้องยึดอํานาจล้มประชาธิปไตยอยู่เสมอนักการเมืองเลวจึงต้องยึดอํานาจหรือระบอบประชาธิปไตยแบบทไทยเลวจึงต้องยึดอํานาจคนเลวหรือระบอบเลวนักการเมืองเลวก็เป็นข้อหาย้อนนิยมควบคู่ไปกับข้อหาหมิ่นฉาบันที่ใช้ในการยึดอํานาจล้มระบอบประชาธิปไตยและกลายเป็นวารกรรมที่พูดต่อต่อกันมาไม่รู้จักจบสิ้น ความล้มเหลวของประชาธิปไตยไทยที่ได้ถูกวางไว้ที่ตัวนักการเมืองก็เป็นคนเลวและมีความคิดมุ่งร้ายต่อพระมหากษัตริย์จะไม่มีใครให้ความสําคัญกับระบอบ ก, การเมืองไทยที่พิกลพิการที่เราขนานนามหลอกตัวเองว่าระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆแต่ในระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีการสื่อสารของโลกก้าวหน้าขึ้นทำให้ราษฎรสามารถรับรู้ความจริงของร่างเงาแห่งปัญหาได้ด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงแต่จากข้อมูลข่า สารเปรียบเทียบคุณภาพของนักการเมืองไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นระหว่างไทยกับสิงคโปร์ไทยกับมาเลเซียหรือไทยกับฟิลิปปินส์เป็นต้น ก็เห็นได้แล้วว่าน้าการเมืองในบ้านเมืองอื่นๆก็คล้ายกับบ้านเรารวมทั้งรัดอนในประเทศเพื่อนบ้านคุณภาพด้านการศึกษาก็ใล้เคียงกันทำไมบ้านเขาถึงพกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยกันได้ราบรื่นแล้วทําไมของเราจึงไม่ราบรื่นความจริงก็ปรากฏชัดเจนว่าบ้านเมืองที่เขาเป็นประชาธิปไตยนั้นเขาไม่มีระบอบกษัตริย์หรือหากมีระบอบกษัตริย์เช่นในประเทญี่ปุ่นมาเลเซียกษัตริย์หรือสุลการกรณีมาเลเซียก็อยู่เหนือการเมืองอย่างแท้จริงและสถาบันกษัตริย์เป็นทีรือ ลัฐที่เป็นประมุขแห่งรัฐส่วนการบรหิหารเป็นเรื่องของประชาชนที่เลือกตั้งตัวแทนจะเข้ามาสู่สภาตามวาระ แถ้จริงแล้วปัญหาการไม่ม <movie> ีเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาของความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างอำนาจของประชาชนที่มีฐานอยู่ที่ระบอบพรรคการเมืองกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่มีฐานอยู่ที่ระบอบข้าราชการดังนั้นถ้าระบอบพรรคการเมืองเข้มแข็งระบอบประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งอำนาจของรัฐฎรก็จะเข้มแข็งรัฐบาลที่มาจากรัษฎรก็จะเป็นรัฐบาลที่มีเสรีภาพและจะส่งผลให้ระบอบข้าราชการระบอบ ก็ขุน ม, มุ่นนายอ่อนแอโดยถูการาษฎรควบคุมผ่านระบบพักการเมืองการแต่งตั้งทหารจำรวนและข้าราชการเขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบพักการเมืองเช่นมานาระยะประเทศทั้งหลายมันจะทําให้การใช้อานาจแทรกแทงของกษัตริย์ลดลงส่งผลทําให้ชานัวรัฐมหากษัตริย์ที่มีอำ น, นาจจริงในสังคมไทยเกิดกระทบกับการใช้อานาจของพักการเมื อ, องในสภาปัตการของความเป็นจริงทางอำนาจเช่นนี้การนาของระบอบราชการอันได้แก่ผู้บังคับบัญชา เราทัพพ บ, บทบพบทลอพบทอพบทอบทอรอบอ ร, บารบดาประกระทรวงและที่ปรืทั้งหลายก็อยากคงอํานาจของพวกเขาไว้ทั้งๆที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาใกล้จะร้อยปีแล้วพวกเขาจึงพยายามจัดทรงสร้างอํานาจของตนขึ้นเพื่ขอขัดขวางกาันขยายตัวของระบอบพรรคการเมืองและความมีเสถียรภาพของระบอบ ป, ประชาธิปไตยโดยพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าหลังทิ้งของพวกเขาคือชาบันพระมหากษัตริย์ ระบอกราชะการแทนที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานรัฐเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตามระบอบประชาธิปไตยเหมือนน า, นานาระยะประเทศก็กลับกลายเป็นเครื่องมือที่คอยบ่อนทำลายระบอบชาะชาธิปไตยเพื่อช่วงชีวิตอำนาจทางการเมืองอยู่ล่ําไปส้โดยเหตุแห่งความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างอำนาจเช่นนี้ประชาธิปไตยของไทยจึงล้มลุกคลุกคลานรัฐบาลของรัษฎรจะมีภาวะ3วันดีสี่วันไข่พอมีปัญหานิดหน่อยก็จะมีพวกข้าราชการแัะวิชาการสอพอออกมาเรียกร้องเปิดเงื่อนไขให้ทหารออกมายึดอำนา ห <S an> น้าดูล่ำไปและทุกครั้งที่รากรถถังออกมายึดอำนาจขาเรล็พรกพระมหาการศักดิ์ก็ลงพระตองมาที่ชัยละรองกันล่ำไปเช่นกันสภาวะการทางการเมืองที่เป็นจริงเช่นนี้เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้เข้าใจได้ในสังคมไทยแต่เราไม่ยอมพูดความจริงกันก็มีกฎหมายอาญาปิดปากโดยสารได้ทาหน้าที่ตีความกฎหมายมาตราหนึ่งร้อยสิบสองเกี่ยวกับการหยิ่งพะลมเดชานุพาพไว้อย่างกว้างขวางตามแนวบรรทัดฐานศาล ดีกาจนการเป็นว่าไม่ว่าพูดอะไรที่เกี่ยวกับข้ามกษัตริย์ก็จะผิดกฎหมายเดียทั้งนั้นกลายเป็นว่าสังคมไทยนี่อาจจะศึกษาปัญหาทางการเมืองที่พูดถึงความจริงได้ตัวเห็นนี้ปัญหาความขัดแย้งของอานาจระหว่างสามันกษัตริย์กัามันพกักการเมืองที่มีปัญหาหละจึงถูกปกปิดไว้มองไม่เห็นและถูกเย็นเย็นไปว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยและสรุปเรื่องให้งงๆว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ องค์สมินมาขาวว่าถ้ากาเผด็จ ก, การทหารการจะล้มระบอบประชาธิปไตกยก็ช่วงชิมอำนาจของทหารที่ทำกันอยู่สม่ำเสมอสม่วนถน่านนามว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆลงที่ก่านมาแล้วนั้นก็จําเป็นที่เต้องหาความชอบธรรมให้กระตนที่ทขามาเยี่ยมหน้าโดยไม่ข่านความเห็นชอบจากประชาชนโดยสร้ า, างวัฒนธรรมองค์มินมาขาวขึ้น อาชวินม้าขาวจึงกลายเป็นวัฒกรรมที่เล่าขานต่อๆกันมาว่าทุกครั้งที่มีปัญหาของประเทศชาติก็จะมีอาชวินขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาก็คือทหารขี่รถสังออกมายึดอํานาจนั่นเองดังนั้นอาชวินม้าขาวจึงกลายเป็นเรื่องสนุนในความฝันของสังคมไทยแต่จากจากฎเรียนของประชาชนซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ต้องจกกดอัดบทอาชวินม้าขาวทุกคนเพราะทุกคนที่ขี่ม้าขาวเข้ามายึดอํำนาจเริ่มนต้นจะจะกล่าวว่ารักชาติคือน้ําตาไหลและสุดท้ายกลายเป็นรักชาติคือน้ําลายไหล เป็นเช่นนี้สำตัทุกคนนะตั้งแต่จามพลพลเอธนรัตน์อมพลถนอมจิจิพัจรนพลเอกสิจินดาคาวายูนและล่าสุดคือพลเอกสนทิมูลยกระเลนที่ตอนเข้ามาเป็นอาสวินแต่ตอนออกไปเป็นอายญากรเข้าทํานงว่าเริ่มต้นป็นาไม้ไผ่พอเหลาลงไฟกลายเป็นบ้องกัญชา ในเชื้อสูตรอาชวินมะาขา่าวก็กลายเป็นอัชวินมะขาวที่เหม็นขาวพระคุณไ ด, ด้วยการพิจรลิดเพระพึ่งไม่ชอบยิ่งกว่านาการเมืองที่เขา้ากล่าวโจมตีด้วยเหตุผลเพราะด้วยเหตุเพราะระบบอาชวินมะขาวเป็นระบอบเผด็จ ก, การสมบูรณ์แต่ไม่อาจจะตรวจสอบได้โดยกล่าเอ้องความจงรักภักดีกับสถาบรนการศึกเป็นเวทมนตที่ใช้หลอกลวงประชาชนจะใช้กดกฎหมายกดหัวประชาชนและสื่อมวลชนถูกปิด ตากห้ามวิพากษ์วิจารณ์ต้องยอมรับความจริงว่าไม่มีระบอบการปกครองใดหรือไม่มีการบริหารของรัฐบาลใดในโลกที่ไม่ประสบปัญหาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินขบวนของประชาชนซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจในนโยบายของรัฐบาลนั้นถือเป็นเรื่องปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิแท้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งเกิดขึ้นในทุกประเทศแต่แทนที่เราจะห่วงว่าฉันจะทำให้กลไกของระบอบประชาธิปไตยแก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองจะกับทำลายระบบเสียด้วย ด้วมอำนาจรอบระบบซึ่งประกอบไปด้วยผู้ถืออาวุธและวิชาการอันเป็นข้าราชการประจําที่เป็นลูกสมุนคอยล่าประกาศอธิบายปรากฏการเหล่านี้อย่างเ่ลเบนไปอีกทางหนึ่งด้วยมีกล้ามเนื้อที่แอบแฝงเพื่ อ, อจะแย่งชิงอำนาจด้วยเหตุผลต่งางๆนานาเพื่อเปิดทางให้แก่ชนมุรีมะาวเช่นการกล่าวหาว่ามีประชาชนประท้วงและวรัฐบาลจะไม่มีความชอบธรรมที่จะปกครองต่อไป กา่ประาศเชนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จะเห็นได้ว่าจะไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดในโลกสามารถปกครองประเทศได้เลยซึ่งระเกิดเรนี้ได้กลายเป็นมุมงท่ใหญ่และน่าเศราหากทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและเบื่อหน่ายต่ระบอบประชาธิปไตยและที่เลวร้ยรายอย่างยิ่งก็คือบรรดาครูบาอาารที่ประพฤติต่อในประเทศสอรัฐอเมริกาแคนาดาและแนนในหลายประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยก็ดูจะปิดหูปิดตาตัวเองและปิดใจของตอนไม่ยอมรับที่จนาการส่ ง, งระบอบประชาธิปไตย และบุคคลเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนสมุนรับช้ของพระเดชานโดยสมัคสมุนแนวทางอาชวินมะข่าวและเมื่อมีการยึดอำนาจ บุคคลเหล่านี้เป็นแรงความชอบธรรมให้แก่อาชญากรรประชาธิไปไตยโดยการเข้าไปเป็นผู้ร่างรัฐมนูญให้แก่ทหารเป็นสมาชิากสภาในจุดบรญยัติภายใต้คำสั่งที่หลกอกลวงว่าเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติในระยะสั้นซึ่งก็เป็นเรื่องแน่ชวนหัวว่าทำไมจึงผ่านใม่ค้นเรือบ่ อ, บอเผด็จการทหารเสรียทีเป็นระยะเวลาเกือบสิบกว่าปีแล้วจนก่อตัวเป็นวัตถุธรรมที่เชื่อมั่นว่าอาชวินมะขาวจะแก้ปัญหาสังคมได้ มื น, นานอกระบบที่ประกอบไปด้วยทหารตำรวจและนักวิชาการผู้ฝ่อใส่ระบอบเผด็จการและต้องการจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาเนียอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนเหล่านี้เหตุทางวิงชาการได้ถูกขนานนามว่าระบอบอมตะยาที่ผู้ใ จ, จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในประเทศหนึ่งๆนั้น การแย่งชิงอำ น, นาจเพื่อจะไปเยียนหน้าจในการบริหารประเทศนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะมีความขัดแย้งอยู่เสมอแต่ความสําคัญอยู่ที่ว่าประเทศนั้นต้องมีระบบ ก, การปกครองที่ชัดเจนในการเข้าสวมหน้าและการพ้นไฟจากอำนาจซึ่งระบบปกครองที่ประเทศทั้งโลกยอมรับเสมือนเป็นเสรีธรรมใหม่ของโลกคือระบอบประชาธิปไตยซึ่งผู้กําหนดจะต้องเป็นประชาชนด้วย ก, การเลือกตั้งแต่ระบอบอเมริกาธิประยได้สร้งางวัฒกรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยว่าการตัดสินใจของประชาช น, ไ ม, ชชาชนไม่ใช่เสียงสาําคัญเสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงสมรวังแต่เสียงสมรรังที่จะทําให้ผู้เมืองหน้าเป็นรัฐบาลได้นั้นคือเสียงของพระมาหากษัตริย์ที่จะรับรองใครก็ได้ที่จะเป็นผู้เมืองหน้าโดยไม่นสนใจความถูกต้องของระบอบประชาธิปไ ต, ตยด้วยเหตุ น, นี้การที่อำนาจทุกครั้งในการล้มระบอบประชาธิปไ ต, ย, ตยนั้นถึงถูกกล่าวอ้างอย่า ง, งเสมอว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองอยู่ไม่ได้ขาดภายใต้วัฒนธรรมอาชญวินมาขาว และทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ของไทยก็จะลงพระกรรมาีิไทยให้แก่อสวินมาขาวหรือหัวหน้าคณะปฏิวัติทุกครั้งไปนี่คือต้อนเหตุแห่งความรัศมีละสายของระบบ ก, การเมืองไทยที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบชัยไทย คนไทยเราได้ถูกสร้างวัฒกรรมพูดะตะกอกันมาว่าเมื่อเกิดวิกฤตทางสังคมการเมืองแล้วก็จะเรียกหาทวาาินมะขาวให้มายึดอํานาจล้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จากการรัฐประหารตลอดระยะเวลา70กว่าปีที่เกิดขึ้นมีเสมอเสมอนั้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าชวนวินมะขาวไม่สามารถจะแก้วิกฤตของสังคมการเมืองไทยได้และกลับยิ่งเพิ่มปัญหาทับถมอย่างฝังรากลึก และก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเหตุผลที่แท้จริงของการยึดอำนาจแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหาแต่เเรื่องของตัณหาที่จะช่วงชิงอำนาจโดยไม่ยอรับการเมียนาของประชาชนโดยฐานการเลือกตั้งนั่นเอง รัฐธรรมนูญฉีกแล้วเขียนใหม่วนอยู่ในอ่างรัฐบาลประชาธิปไตยในประเทศไทยพอเริ่มไอเจ็ดคออำ น, นาจนอกระบบหรืออำนาจยาธยิปไตยก็จะาตัวเหมือนเชื้อโรคร้ายคอยแทรกแทงทันทีเริ่มต้นก็จะบีบให้ปรับคณะรัฐมนตรีถ้ายังไม่ถูกใจขั้นต่อไปก็จะใช้วิธีบีบให้ในายกมนตรีลาออกแล้วเปลี่ยนตัวนายก ข้าไม่ได้ก็จะเพิ่มการเตืให้แรงขึ้นโดยขอนายกราชทานแต่ถ้ารัฐบาลมีความเข้มแข็งและยังแข็งขืนต่อคำเตือนที่ส่งสัญญาณลงมาในรูปแบบต่างๆแล้วหนนาจนอกระบบก็จะเริ่มก่อตัวโดยใช้กระแสมวลชนกระแสนักวิชาการกระแสสื่อรวมสูงโจมตีแล้วก็ปิดค้ายด้วยการยึดอำนาจเมื่อได้โอกาส ประวัติาสตร์ที่ถานมาในระยะใกล้คือกรณีของรัฐบานนลพลตำรวจโททักษินชินวัฒนเป็นตัวอย่างที่ทุกคนเห็นได้ชัดเพราะนรัฐบาลที่มีเสียงร่าพาและมีภาวะเศรษฐกิจดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังสาัากดันให้ประเทศไทยเป็นรัฐที่ทันสมัยในระบบโลกาภิวัตน์ซึ่งอำนาจนอกระบบนี่อาจจะใช้มาตรการปกปิดบีบให้หลาออกได้ก็จะถูกการใช้มาตรการรุนแรงทําการค้นล้ม เมื่อจะทํำรัฐประหารคค้นล้มก็จําเป็นจไม่ฉีกรัฐมนูญและร่างรัฐมนูญขึ้นใหม่และทุกครั้งที่มีการร่างรัฐมนูลใหม่ก็จะตัดไม้ตัดมืออำนาจของประชาชนมากขึ้นและเพิ่มอำนาจให้แก่ระบอบราชการมากขึ้นโดยใส่ร้ายได้สี่ว่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะปกครองตนเองอยู่ร่ําไปโดยเนื้อหาหลักๆของรัฐมนูลก็เปิดช่องทางให้แก่อําน้านอกระบบเข้ามามีอำนาจให้สมบูรณ์มากขึ้นตัวอย่างเช่นรัฐมนูบับระสชเป็นสองขั้นามสี่กระตัดอำนาจการบริหารของ กาที่มาจากการเลือกตั้งในการที่จะโยกย้ายข้าราชการโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีคําสั่งโงยกย้ายโดยเฉพาะปลัดกระทรวงซึ่งจะรับผิดชอบ เท่านั้นส่วนราชการที่จากสิทธิ์ลงมาห้ามยุง่งซึ่งเป็นฝีมือของนายกอ น, นันต์ปัญญาลชุนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเรสะชหรือรัฐธรมนูญฉบับคมชอรอปี2550ประกาศอานาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้มากขึ้นและทําลายความแข็งแกร่งของระบบพักการเมืองโดยให้อํนนานาจสอสที่จะไม่ทานวติพักได้ รวมตลอดทั้งการเปิดช่องทางให้ศาลและราชการเข้ามาควบคุมรัฐสภาและรัฐบาลโดยตรงโดยให้อำนาจศาลและองค์กรอิสระซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งวุฒิสภาได้เรื่อหนึ่งเจ4คนโดยมีอำนาจควบคุมรัฐบาลได้เสมอนหนึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสา ว, วที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นต้น เมื่อหลักๆได้อาจเพิ่มจนพอใจแล้วก็จะมาตั้งคำถามรายละเอียดเยล็กๆน้อยๆแต่ไยเรือนอยู่ในอ่างหน้าเวียนหัวระบอบชี้พิไตัยเึ่นเป็นเรื่องเก่าๆเช่นเขตเลือกตั้งคงจะเป็นเขตเล็กเ บ, เบอร์เดียวหรือเขตใหญ่เรียงเบอร์เลือกตั้ง น, นากยกมันจะโดยทรงดีหรือไม่เพราะแกก็เป็นระบบประธานาธิบดีหุ้สิสภ า, พาควรจะมาจากการแต่งตั้งจะดีกว่าการเลือกตั้งโดยตรงไหม วพวชเท่าไห่ะัต์เ้ามแต่ต้องเพราะจะเป็นการละเมิดพระราชจำนาเป็นต้นหลักวัตระพอ ร, ร่างและทำนูนตามใจผู้มีอำนาจเสร็จใช้ไปไม่นานก็ถีบอีกแล้วก็ร่างใหม่อีกโดยโคลสผิดเริมเดิมเหล่านี้ แม้การร่างและทาลุนฉบับปี2540ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดว่าเป็นการร่างจากการมีสมดวนรวมของชาชนมากที่สุดมีได้เกิดจากความต้องการของคณะที่ทำหน้าทุหนหนึ่งกุ่เใดก็ยังไม่วายเทียมหน้านอกระบบยังไม่พอใจ ก็ยังให้ฉีกเสียเมื่อ19กันยายน2549ัาร้่สิบเก้ารร่งและทำนูนแต่และฉบับ ก, ก็ต้องเอางเงินภาษีากองของประชาชนมาใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเฉพาะค่าใช้จ่ายในการร่างและทำนูนเกือบยี่สิฉบับ ก, ก็หมดไปหมื่นล้านบาทเฉพาะฉบกกับปีสอง0ถึงสองพใช้จ่ายกว่าห้าพล้านบาทยังไม่นับความเสียหายจากการหยุดชะักในการพัฒนาของบ้านเมืองอีกไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ไม่มีใครให้ความสนใจกับการฉีกร่างนูญอย่างจรงิงจัง ขึ้นอยู่กับผู้มีบารมีผู้มีอำนาจนอกระบบว่าหากเขาไม่พอใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อไรเขาก็จะฉีกรัฐธรรมนูนนั้นเสียโดยง่ายเพื่อจะเปลี่ยนตัวรัฐบาลที่เขาไม่พอใจและที่ประหลาดใจที่สุดที่คนไทยทุกคนมีคำถามอยู่ในหัวใจแต่ไม่กล้าถามให้มีเสียงดังก็คือเมื่อทหารยึด อ, อำนาจฉีกรัฐธรรมนูนทุกครั้งทำไมในหลวงจึงยอมลงพระกรมาภิไธยรับรองคณะผู้ฉีกรัฐธร นูนทุกครั้งไปเยอะหน้าทุกครั้งทำไมในหลวงทรงลงพระปรมาีิไทยให้ทุกครั้ง เป็นที่น่าสงสัยกันไหมกันไม่เฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้นแต่คนทั้งโลกก็สงสัยว่าการยึดอำนาจที่มั่อกี้เรียกว่าการปฏิวัติ ท, ทั้งที่แท้จริงคือการรับประหารนั้นเป็นอาชญากรรมทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและนับวันยิ่งร้ายแรงยิ่งขึ้นด้วยนานาอาณาประเทศไม่ยอมรับการกระทําดังกล่าวแล้วแต่ทุกครั้งที่มีการกระทําอาชญากรรม ต่อระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยทําไมเรามาเหยกษัตริย์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของราัฐดอนคนไทยทั้งประเทศฉันยอมฉันเห็นพระองค์จะมีลำลัดตักเตือนพวกทหานที่ชอบยึดอำ น, นาจเสียบ้างทุกคนก็จะเชื่อฟังและทำตามแต่ทําไมพระองค์ไม่ทรงยับยั้งการจะทําอันเช่นอาชญากรรมเช่นนี้เล่าและไม่เพียงแต่ไม่รงยับยั้งเท่านั้นแต่ได้ทรงลงพระปรองมาพิทายหลายแสนให้แก่การรัฐประหารที่จะทําสําเร็จทุกครั้งอีกด้วยทำให้พูกกระทําการึกทำหารเหล่านั้น มีความชอบทำในการที่จะปกครองประเทศชาติ และประชาชนทั่วไปก็จําเป็นต้องหวานองค์ของกลืนเนื่องจากเขาลกสกสารในพระองค์ท่านและไม่อาจจะโต้แย้งใดๆได้เนื่องจากมีกฎหมายอาญาปิดปากไว้ในมาตรา112ซึ่งมีความรุนแรงไม่เฉพาะแต่ตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดแต่ยังกระทบกระเทือนไปถึงลูกหลานวงศ์ตระกูลที่ใช้นามสกุลเดียวกันในข้อหาหมินพระบรมเดชานุภาพด้วยดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจึงกลายเป็นเครื่องมือปิดปากที่จะให้ลาซาดอไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่สามารถตั้งคําถามอันเป็นข้อ ครับข้องใจตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ได้มีคนตั้งคําถามว่าหากในหลวงไม่ลงพระปรมาภิไธยให้แก่ผู้ที่ทําการยึดอํานาจบุคคลเหล่านั้นจะกระทําการยึดอาํานาจได้หรือไม่เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ได้แน่นอนและก็ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนและคนทั้งโลกด้วยคํถาถามจึงยิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้นว่าทําไมพระ อ, องค์ถึงกระทาการเช่นนั้น คำตอบที่นักวิชาการทั้งหลายพยายามเสกผันตั้งต่งให้คนไทยทั้งประเทศยอมรับก็คือพระองค์ไม่ลงพระปรมาทิทยให้คณะผู้มดอำนาจจะเป็นอันตรายแก่พระองค์เองจริงหรือพระองค์ต้องทรงปฏิบัติเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมืองจริงหรือ เาที่ผู้เขียนได้พยายามรวบรวมเหตุผลของนักปรชาการที่ขายฉีดวิญญาณทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแล้วจะเป็นเหตุผลที่คนทั่วไปยังขัดข้องหมองใจอยู่กล่าวคือหนึ่งก็ในเมื่อราษฎรทั้งประเทศเขาลกสักการพระ อ, องค์ท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านคนมีพระราชำดำรัสจริงจังใจไม่ได้ทีนน่อำนานอกระบอบซึ่งก็คือกลุ่มข้าราชการที่ถูกบ่มเพาะมาให้ยึดมั่นเชิดชูสถาบันพมากษัตริย์เหนือชีวิต เห็นได้ว่ากลุ่มข้าราชการกต่างๆทั้งหลายจะกล่าวอ้างเสมอเมื่อมีความขัดแย้งกับนาย ก, การเมืองว่าบุคคลคือข้าราชการในพระบัาสรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหนึ่งก็คือเขาเป็นพวกในหลวงุคนเหล่านี้จะกล้ากระทําในสิ่งที่ไม่สงควรต่อพระองค์ได้อย่างไร 2. การกล่าวว่าพระ อ, องค์ทรงอยู่เหนือการเมืองจึงต้องลงพระตำละตำลมาพิไทย ร, รับรองการจะทำมันไม้ถูกต้องก่อนระ บ, บอกประชาชนทั่วที่คนทั้งโลกไม่ยอมรับนั้นทุกครั้งใส่ซึงเป็นการกล่าวที่ไม่สงควรต่อพระเฉลี่ยศิลปของพระองค์ เพราะเท่ากับเป็นการกล่าวหาว่าพระองค์ทรงมิต้องรับผิดชอบแก่การกระทําใดๆอันไม่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นปัญหาอันไม่อาจจะหาคําตอบได้จึงทําให้เกิดข้ อ, ข, อข้อรหัสข้งคาใจในหมู่ประชาชนว่าทําไมระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงไม่เอาจมีรัฐบาลที่มีเสรีภาพได้เลยถึ่งเหานี้หรือที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆแท้ทจริงมันคือระบอบอะไรกันแน่ เข้าใจระบอกจึงจะเข้าใจสถานการณ์ระบบการเมืองของไทยมีความซับซ้อนมากจนเป็นผลให้นักวิชาการทางรัฐศาสตร์และผู้ที่สนใจในแวดวงการเมืองเกิดการมึนงงในการที่จะประเมินและวิเคราะห์วิเคราะห์การทางการเมืองว่าจะคลี่คลายไปในทางใดอย่างเช่นการประท้วงยึดชั้นรัฐบาลที่ยานานของกล่มพันธมิตรทระชเคลมเพืประชาธิปไตและที่หลายโตไปยึดสนามบินซึ่งกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองเรื้อรังของไทยในขณะนี้ไม่เพียงแต่ไม่อาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ใน ค้ใได้เท่านั้นแต่ยังไม่อาจจะรู้ได้ถ้อยว่าแท้จริงแล้วมีตชนเผดมาจาอะไรกันแน่ดังนั้นาการที่จะเข้าใจสถานการทําการเมืองของไทยได้จริงจรงนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ให้เนืชัดว่าแท้จริงแล้วระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนี้คือระบอบอะไรกันแน่ หาเราดูวิวัฒนาการทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะการถัดเปลี่ยนอำนาจรัฐบาลด้วยการคุ้นล้มฉีกและทำนูนด้วยแล้วก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการร่างรัฐมนูลใหม่ก็จะมีการจัดโครงสร้างอำนาจให้ส่นวนรวมไปที่องค์กรมหากษัตร์ษะเมื่อขึ้นทุกทีจนกระทั่งพระราชอำนาของพข้าหากษัตริย์กลายเป็นอำนาจที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมตลอดทั้งพระราชดำรัสก็กลายเป็นสเสมือนองค์การแห่งสวรรค์ที่ประสบนกรต้องปฏิบัติตามไม่อาจจะโต้แ ย, งย้งหรือสงสัยได้สถานะเช่นนี้ จึงมีลักษณะใกล้เคียงกับระบอบของบูรณาญาสิทธิราชย์เที่ยมงนาฏรวมศูนย์ดุ่ฎีองค์พระมหากษัตริย์ท่านั้นและพระองค์ทรงใช้พระราอำนาจไ ด, ด้โดยตรงรวมนาชั้ววัฒนธรรมที่ครอบงำอำนาจทางกฎหมายและอำนาจอธิปไตยขั้งสามเพื่อมหน้าบริหารในทิเบัญรย์และศาการดังนั้นคำพูดหรือแนวคิดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ประชาชนทุกคนต้องพึงสังวรและคอยรับใส่ก้าใส่กระหม่อมนำไปปฏิบัติในภาวะเห็นโครงสร้างของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยจากอำนาจกับรวมศูนย์ที่องค์พระมหากษัตริย์เช่น ไม่มีคำใดที่ให้ความหมายได้เหมาะสมกับคำว่ากระ บ, บอกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่จะกล่าวบทที่สอง